بک تو. 15. پانسدا. پنل مای و آهان. می بهو و م ا د ت ض ا ئ ی دی چند می س ت ا ر ب ر ی من یک توت فرنگی دارم. ดิฉันมีกีวีและแตงโมมันเ ک กกีวี่ خربوزه دارم ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุตมันเยกปอร์เทกอลและเยกเกรฟฟรุตดอ ا ์แดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วงมันเ سیب ิบแ ا ะ ب, ب ه د ا อ م ดิฉันมีกล้วยและสับประรดมันยกมูสและยกอนันโสดอรัมดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้มันยกสลัดมีเวโดร์สมีขอนามดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งมันยกนานโตสต์มีขรน้ำ ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยมันเย็กน้อยนทูส์บอชารมีโครามดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยมมันเย็กน้อยทูส์บอชารวมูระบมีโครามดิฉันกำลังทานแซนด์วิชมันยซนดวมีโคราม ดิฉันกำลังทานแซนวิชทานเนยเทียมมั น, นเย็ดแซนดวิชบามาร์การีนมีขรามดิฉันกำลังทานแซนวิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศมันแซนดวิชบาวมาร์การีนและโกจิฟังกีมีครามเราต้องการขนมปังและข้าว มานอนและเบรนจ์ล่าสัมดอริมเราต้องการปลาและสเต็กมาหม้อหีแะสเต็กล่าสัมดอริมเราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี้มาพิซซ่าและสปาเกตตีล่าสัมดอร์ริมเราต้องการอะไรอีกไหม چ چ เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุปเราบะไรซุปหัวใจ و ละกูจู ی รังกี้ล่าสัม ر ด้ริมซุอมาร์ตอยู่ที่ไหน سوپر مارکت کجاست؟ กรุณาไปที่